บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแต่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก่อนที่จะฟังธรรมะและปฏิบัติกรรมฐานนั้นเนื่องจากวันนี้มีความจำเป็นที่ไม่อา จ, จปิเลี่ยนได้ต้องไปปฏิบัติสาธารกิจในต่างจังหวัดที่ภาคใต้จึงขอให้ เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งใจนอบน้อมนมัสการเดินสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระธรรมและประสงค์ว่าเป็นสนะที่งป็จิร ล, ลึกนับถือของตนของตนและตั้งจิตเจตนาวิรัต์งดเว้นตามองค์ของสิกขาบททั้งห้าประการ มดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายหรือให้ประสบความทุกข์ความทรมานในด้านต่างๆมดเว้นจากการขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยมดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีหรือในทางเพศมดเว้จากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูอคำหยาพูดเดหลวๆมดเว้นจากการดื่ม การสูกการเจ็บการฉีดสิ่งที่ทำผู้ดื่มผู้สูบผู้เสพผู้ฉีดได้เหมือนหมาตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อตั้งใจวิรัติงดเว้นตามองของสิกขาบทครบทั้งห้าประการแล้วเดี๋ยวนี้ขณะนี้ช่อว่าท่านสาธุชนเป็นผู้ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นสณะที่พึ้งจีรลึกนักตือของตนของตนและดำรงมั่นคงอยู่ในศีลไม่มีการกระทาําไม่มีการพูดที่เป็นการล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งสิกขาบททั้งห้าประการนั้นศีลที่บุคคลรักษาไว้ดีแล้วย่อมเป็นบาตเป็นฐานที่รองรับความตั้งมั่นแห่งจิต เั้นก็ขอให้ตั้งใจทงความศึกษาและเริ่มธรรมะปฏิบัติตามที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในมาสติปทานในสุดจะมีการนำมาอาธาิบายตามลำดับมาแล้วตั้งแต่ต้นนั่นคือเรื่องของขันธประไดแกหมวดที่ว่าด้วยขันธห้าประการ ทำไมจุดเน้นจึงมาอยู่ในขันทั้งห้าประการอยู่บ้างตอนนี้เรากล่าวกันในแง่ของธรรมะแล้วสภาพสิงทั้งหลายในโลกนั้นสามารถสรุปรวมเป็นขันทั้งห้าประการได้ทั้งนั้นคือประกอบด้วยขันทั้งหประการแต่จะครบหรือไม่ครบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะชีวิตคนสัตว์ ตลอดถึงเทวดาทั้งหลายก็อยู่ในกลุ่มของปัญจโวการที่มีขันทั้งห้าและแกรูปเวทนาสัญญาสังขารไดวิญญาตมีสัตว์มีชีวิตบางพวกเป็นจตุโวการที่มีขันเพียงสี่และแกพวกอรูปภพมทั้งหลาย ท่านเหล่านี้ไม่มีรูปกันมีเฉาะเวทนาทันดาสังขารวิญญาณพูดง่ายๆว่ามีเฉพาะจิตและบางพวกก็เป็นเอกวการคือมีขันอยู่ขันเดียวได้แก่เสนีสัตรารหรือว่าพรหมลูกฟักเพราะน่จะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวกันในแง่ของขันแล้วจะไปชีวิตทั้งหลายในโลก ไม่ขันห้าก็ขันสี่ไม่ขันสี่ก็ขันหนึ่งจะต้องมีขันอยู่ในกลุ่มสามพวกนี้เท่านั้นล้วส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปขันทั้งหกาประกันปรณหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจะนำไปสู่ความสุขความถูกเราต้องความเกษมเป็นปรีในชีวิต และหลุดรอดไปจากสงสารทุกข์ก็เล่นแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับขันทั้งห้าประการท่นั้นในส่วนที่ประกอบด้วยความทุกข์ก็แสดงถึงสภาพจิตที่ยังไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงในขันทั้งห้าประการก็เกิดความหลงผิดความเข้าใจผิด ที่ก่อตัวจับแน่นอยู่ภายในจิตมากบ้างน้อยบ้างไปตามลำดับซื่อในแง่ของสติธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วระทธศาสนาแสดงว่าความเห็นโดย ท, ทั่วไปของคนทั้งหลายนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้าประการมีลักษณะรูปันรลาด คือไม่ตรงต่อความจริงที่มันเป็นแล้วก็มีความเข้มข้นในด้านความหลงผิดเป็นสามระดับระดับแรกเรียกว่าเป็นสัญญาวิปราชสคือเป็นการจำหมายเป็นการทรงจำไว้สิคราดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสิ่งด่วนั้น ถ้าเป็นความรู้สึกระดับนี้เมื่อได้ฟังเหตุผลอถาธิบายชี้แจงจากวิญญูชนจะสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้ไม่ยากนักแต่ก็มีบางคนที่ความปักใจฝังใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจัแน่นอยู่ภายในจิตเป็นลักษณะของจิตตะวิปลาด คือความคิดที่วิปริตไปจากความจริงคือไม่ตรงต่อความเป็นจริงจากความคิดเหล่านี้เมื่อต้องการจะอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนท่านสามารถถ่ายถอนผลคลายความกำหนัดความวจจยึดติดออกไปได้นั้นจะต้องใช้เวลาบัางจะมีการขัดเกลาฝึกปลือกันด้วยวิธีการต่างๆ มีควาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็ยากต่อการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สุดนั่นคือทิ่จิตวิปลาส้นความเห็นเป็นความปักใจฝังใจของท่านเหล่านั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นหรืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องทำให้ท่านเกิด มีการจำหมายมีความคิดและมีความเห็นพรดเลื่อนออกไปในสี่เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือสิ่งทั้งหลายที่สรุปรวมเป็นขันทั้งห้าในรูปนามนั้นไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าสวยงามเพราะเป็นการเกาะกลุมประชุมกันของสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย มองจากข้างนอกในชีวิตร่างกายของบุคคลแต่ละคนเราก็ประกอบด้วยผมขนแลือฟันด่างแต่ละอย่างนั้นไม่ว่าโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยจิตเกิดโดยจิตอยู่โดยลักษณะที่อยู่ประจังที่หรือหลุดออกไปจากที่อยู่ก็แต่แดยแล้วแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดด้วยประการต่างๆ มองเจาะลึกเข้าไปข้างในที่ทานจะแยกออกไปตามหลักของพาตุกภะคือหมวดที่ว่าริธาตุก็ดีปฏิกู ล, ลปภะหมวดที่ว่าด้วยความปฏิกูลแห่งร่างกายก็ดีก็เล่นแล้วแต่เป็นที่ประชุมเป็นทุกข์ที่รวมของสิ่งสกปรกทั้งหลาย มีผมขนเล็ปันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับผังผืดไตปอดไ่ใหญ่ไ่น้อยหันใหม่หันเก่าแต่เราถึงมันสมองแต่อย่างนั้นไม่แดกสวดออกมามีกลิ่นมีรูปร่างที่ไม่น่าดูไม่น่าชมทั้งสิทธินแต่คำว่ากายจริงๆแล้วก็คือที่ประชุมวิแหแ่ง ที่รวมของสิ่งปฏิกูลสกรปรกนั่นเองแต่เพราะความสำคัญผิดเพราะความคิดผิดเพราะความเห็นผิดผิดของบุคคลจึงไปกำหนดและขณะกำหนดนั้นจะมีการกำหนดอยู่สองแนวสงใช้คำว่าถือโดยมิมิทและถือโดยอนุพยัญชนะ คำว่าถือโดยนิดตนั้นหมายถึงรวบถือไปเลยว่าคนนั้นสวยสัตว์นั้นสวยสิ่งนั้นสวยบ้านนั้นสวยเรือเดินนั้นสวยรถนั้นสวยเป็นต้นคือกำหนดเป็นชิ้นเป็นนันเป็นคนเป็นดุนเป็นแท่งแต่บางอย่างใจไม่ได้กำหนดอย่างนั้นแยกได้ออกมาเป็นอนุพยัญชนะหรือพืชสมุนไรปัจจุบันเรียกว่าเป็นจุลภา ็นไปมองที่คนว่าตาสวยผมสวยคิ้วสวยแตหมูกสวยปากสวยก เ, เแลนวใจก็จะเกิดความกำหนัดความพอใจในส่วนที่ตัวกำหนดด้วยอำนาจความกำหนัดเห่านั้นซึ่งรง น, นี้ก็ปรากฏแก่ใจของบุคคลทั้งหลายเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์เราดีอยู่ในชีวิตในจำงหัน เดินดูดตาไปยินเสียงด้วยหูกันอยู่ด้วยๆให้ทุกครั้งให้ลองสังเกตว่าแต่เปิดใส่ใจโดยขาดเหตุผลโดยขาดปัญญาเป็นครึ่งชนิดิจารณากุ้มครองใจแล้วก็จะมีการกำหนดด้วยมากความกำหนัดหรือความขัดขืน อ, อยู่สมเสมอสองอารมณนี้จึงเป็นอารมณ์ที่เด่นภายในใจกน ป็นกำหนดว่ารูปสวยเสียงไปร้องกินหอมรสอร่อยสมัมผัสน่าจับต้องนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นการจําหมายไว้ผิดเป็นการคิดผิดเป็นความเห็นผิดเพราะในแง่ขอ ง, ค ว, ง, งอความเป็นจริงที่แท้จริงนะฮะในความเป็นจริงที่แท้จริงรูปเองก็สักตัวรูปเสียงเองก็สักตัวเสียง กลิ่ก็สัจตัวว่กลิ่นรถก็สัจตัว ร, ร, รถสัมผัสก็สัจตัววสัมผัสไม่มีความสวยงามที่เป็นสากลตุเพียงแต่เกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงคิดคิดปรุงมาเองการกำหนดว่ารูปสว ย, จ ร, วส ย, ยรจริงไม่เหมือนกันการกำหนดว่าเสียงไพเราะจริงไม่เหมือนกัน ก า, การกำหนดว่ากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องจริงไม่เหมือนกันเป็นการกำหนดในรูปของความหลากหลายความแปลกแยกออกไปในาที่สุดใครได้กำหนดน้ไอโอมอะไรว่าสวยงามความก็อมาความพอใจในสิ่งด่านั้นก็จะบังเกิดขึ้น ในขณะที่ถือครองครอบครองสิ่งหลดนั้นอยู่ก็จะมีความหวงความหว่วมความคืงมีการต้องกามรรารักษาดูแลเอาไว้เลืวอจะเป็นภายเป็นอันตรายพอสิ่งเลนั้นถ้าคลาดจับไปเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไ ป, ปนไม่เป็นไปตามที่ตัวการต้องการก็เกิดความทุกข์ แตาแปรเปลีนเปลีป่ยนแปลนั้นที่จริงก็บางอย่างเราก็ชอบจำนวนสุขภาพาพาลานามัยดีขึ้นรูปร่างสวยงามขึ้นหรพลังเป็นต่างมีน้อยนิดน้อยมากขึ้นเราก็ชอบแต่ประโนสัต์อ่อนดดอนอมลงผิวพรรณเสื่อมซ้ำลงเด่ยวแรงสุดลมลงเราก็มาชอบพอในส่วนที่ชอบมันก็เกิดขนาดทีติดต่อไป ส่วนที่ไม่ชอบมันก็เกิดขัดเคืองเกิดลาคานเกิดความไมา่พอใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองนะบ้าในตอนสุดท้ายแห่งบทสวดที่ทษานสาธุชนทั้งหลายจำส่งกันแพลายดันเราก็ไปเจ้งผใชย้ยคำว่าสังคีตเตนะปัญจุ ป, ปาทานะคันธาทุกขาเมื่อกจะเสรุป ผลิตของบุคคลที่ไปยึดมั่นถือกันนม้สัต์ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความทุกข์กรณี้ัวอย่างที่เราสังเกตนนเดได้ไง่ายเห็นได้ง่ายข่าวคาวการฆาตกรรมพระสงฆ์ไทยในรัฐวิสุทิ์้าสหรัฐอเมริกาเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของผุทตสารสนิกระชนทั้งหลาย ั้องได้อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศก็าจะถามว่าเรารู้จักท่านเหล่านั้นไหมก็น้อยคนที่จะรู้จักแต่เรารู้จักเป็นภาพรวมๆว่าเป็นพระภิกษุในพระพุตธศาสนาก็เป็นพระในศาสนาของเราหรือพระของเราพระปรารถนาที่จะเห็นท่านอยู่ดีมีสุข ไม่มีเวรไม่มีภยัยใม่ถูกเบียดเดืยนไม่ถูกประทุสรายปฏิบัติศาสนกิจของท่า น, นเอาเสบียต้อร่วงไปได้ดีตอนที่ท่านปฏิบัติภารกิจการงานเหล่านั้นดูแล้วก็ไม่เคยได้รับรู้และไม่เคยได้สนใจใส่ใ จ, ใจเพราะเรื่องเหตุการณปกติแต่พอเกิดความทบัต์ขึ้นมาเรารู้สึกเดือดร้อรนกระแทกกระทันใจ แต่ถ้าเรามองไปอีกระดับหนึ่งว่าการถูกค่าตายนั้นในขณะที่พระของเราถูกค่าตายไปเป็นจำนวนมากก็มีคนอื่นถูกค่าตายเหมือนกันและจำนวนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าทำไมเราไม่ทุกไม่เดือดร้อนไม่สนใจที่ตามข่าวพาลกัน เพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันว่าเป็นพระของเราต้นความรู้สึกว่าของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราที่ไปอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของในขันทั้งหลายนั่นเองทำให้ใจิตใจเราโบกนุ่นอยู่กับเรื่องต่างๆแปรผันไปกับความแปรผันของสิ่งต่างๆ เป็นคนสัตว์อันเป็นที่รักใคร่พอใจมีความเจริญติกโตมีความกล้าวหน้าประสบความสำเร็จเราก็มีมุทิตาหนมุทนาชื่นชมยินดีกับบุคคลนะตนนั้นบุคคลสัตว์อันเป็นที่รักใคร่มีการแก้ทำไปในทางที่ไปผันไปในทางที่เราไม่ต้องการไม่ต้องไม่ปรารถนาแล้วเกิดความเศร้าโศกความเสียใจความตกใจ ในจิตใจก็จะแปรผันไปในลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆตอนจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันต์ั้งห้าโดยอำนาจของอุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นที่ปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนามากก็แสดงออกไปเป็นสองกลุ่ม แว่าที่จริงแล้วต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของปัญหามานะทิฐิหรือเป็นอาการของอวิชชาหรือโลภลดลงโดยในส่วนที่เรียกว่าอุปาทานให้เกิดการอุปาทานถือมั่นด้วยนนอานาจความใคร่ ให้เราสังเกตว่าความรักคข้พอใจยินดีต้องการปรารถนายังมีอยู่ในคนในสัตว์ในสิ่งของเหล่านั้นตราบใดจิตใจของเราจะขึ้นขึ้นลงๆกับความแปรเปลี่ยนของสิ่งเหล่านั้นเช่นสมมติว่าลูกหลานซึ่งก็เป็นขันหะเราเจ็บไข้ไม่สบายใจเราก็ฟุ้ลง เคมีความสุขสมนานเบิกป่านเราก็ฟื้ขึ้นแต่ร่างกายนั้นคือขันห้านั้นมันไม่เที่ยงเพราะตัวเราจะฟื้นขึ้นควบลงตามความแปรผันของขันห้าที่เป็นลูกหลานเราไม่มีความสุขตลอดไปและไม่มีความทุกข์ตลอดไปเพราะว่า วใจเราแปรผันไปตามการแปรผันของชีวิตลูกหลานเรานันบางครั้งความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ลูกแก่หลานแ ก, ก่คนสัตว์อันเป็นที่รักคนบางคนถ้ามีการมุปาทานอยู่มากกว่าเ จ, จ็ทุกข์เดือดร้อนมากกว่าคนที่กําลังประสบความทุกข์อยู่เลยั้ำไป เกิดงป็นบางทีมีความรู้สึกว่าอยากจะป่วยแทนอยากจะเจ็บแทนอยากจะตายแทนอยากจะเดือดร้อนแทนนั่นคือลักษณะของกามุปาทานมันมีอาการของอวิชชาอยู่เยะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเป็นไปตามกรรมของเขา เราก็เป็นไปตามกรรมของเราเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาเมื่อเมีเหตุปัจจัยให้ป่วยเขาก็ป่วยเหตุปัจจัยให้เจ็บเขาก็เจ็บเหตุปัจจัยให้ตายเขาก็ต้องตายแต่ในขณะนั้นถ้าหากเราไม่มีเหตุปัจจัยให้เป็นเช่นนั้นเราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่ตายเราก็ไม่พลัดพรากสูญเสีย เพราะนวของการประพปฏิบัติที่เกี่ยวกับขันห้าเป็นภาพ ร, รวมๆหรือเป็นคนเป็นสัตว์เคลื่อนไหวกันดูมีชีวิตติอกันดูเกี่ยวข้องกันดูพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนธรรมะข้อว่าอุเบกขาเอาไว้อุเบขาก็คือการเข้าไปปิ้งพิงนิจพิจารณาดูถึงความจริงที่เกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ เขาเป็นที่รักหรือเป็นที่ชังเราก็ตามเขาเองได้ตกอยู่ในเงื่อนไขของกอารเหมือนที่กล่าวแล้ววันบางเวลาที่เขาประสบผลกรรมของเขาก็สร้างเหตุเพื่อจิตคุกก็สร้างเหตุเพื่อเจ็บป่วยก็สร้างเหตุเพื่อความเดือดร้อนก็สร้างเหตุเพื่อติดโรคแล้วผลมันก็เกิดขึ้นตามสมควรทีเหตุของเขาแล้วจะเดือดร้อนไปก็เท่า น, นั้นแหละ ไม่สามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้หน้าที่ในการเยียรักษาบาปัดโรคภัยไข้เจ็บก็ทำกันไปอะไรที่ทำได้ก็ทำไปแต่ต้องลองยอมรับความจริงว่าบางอย่างเนี่ยแก้ไขไม่ได้เงการสวดแผ่เมตตาผรไมหันยิ่งสวดกันอยู่เสมอว่า ก็เรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกํามเนื่อมีกรรมเป็นเป่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยการทากรรมมาใว้จะดีหรือโชคราตามก็จะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นก็คือการมองรูปเด็กขารูปเด็กขานั้นเป็นอาการของปัญญาไม่ปล่อยให้ความยินดีหรือความยินร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวคนนั้นในอดีต มามีอิทธิพลต่อใจเราในปัจจุบันเพรอะไรเพราเขาจะเป็นที่รักหรือที่จังกับเราก็ตามก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็เป็นไปตามกรรมของเราใ จ, ใจที่มันคุมยากห้ามได้ยะบังคับบัญชาได้ยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ยาก มันจะเกิดความดีใจความเสียใจล่วงหน้าไปก่อนจนเวลาคนซึ่งเป็นศัตรูกับเราที่เราไม่ชอบประสบความพิบัติแทนที่จะมองไปในแง่กดของกรรมก็กลับไปมองในแง่ของความสะใจความดีใจความสมปรารถนาไปเสีก่อนแล้วต่เราตั้งปัญหาถามต่อไปว่าการคิดเช่นนั้นได้อะไร มันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเพียงแต่ว่าคุณภาพจิตเองเราได้ตกต่ำลงไปต่อไา ไ, ไปซ้ำเติมแม่กับคนที่กำลังประสบความทุกข์อยู่เรียกจะตายไปไม่ยกเสื่อมทรัพย์เสือมยศเสือมบริวารถูกกดลดลดตำแหน่งอะไรอะไรก็ตามแต่ที น, นี้ก็หากว่า ผลกรรมในทางไม่ดีได้เกิดขึ้นแก่คนที่เรารักหรือแทนที่จะมองไปในแง่ของกรรมอย่ที่กล่าวแล้วมันก็มองให้ันหรือกลับไปเศร้าโศกเสียใจไปก่อนโดยอถ้าจ้งปัญหาถามต่อไปทีว่าเสียใจไปแล้วได้อะไรและก็ไขปัญหาอะไรได้หรือไม่ มันก็ตอบเลยว่าแก้ไม่ไ้เพราะเขาก็เป็นไปตามที่เขาได้เป็นไปแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้สติแก่คนเวลาญาติพี่น้องตัวเองต้องลบหายตายจากไปปรการรอ้องไห้เสใจเศร้าโศกกำคนวนปริเวธนาการลักษณะต่างๆนั้นเป็นเรื่องไม่ควรกระทำเพราะอะไรเพําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ เมื่อไม่เกินประโยชน์ก็ไม่ควรกระทำทำร้ายกับเกิดโทษขึ้นมาอย่างน้อยสี่ประการพีน่นองุญาตพี่น้องที่ตายไปก็ตายไปแล้วไม่ได้รับรู้การร้องไห้เสียใจจนสูขผองของเราประการที่สองญาติพี่น้องเราอื่นที่ยังไม่ได้ตายมาพรวนความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นแก่เรา ก็จะพายเศร้าสุกตามไปได้วยพ่ายไปทุกข์ไปได้วยพอายเดือดร้อนไปได้วยคนนั้นเป็นที่รักกันนั้นเขาไม่เผืแผ่ความทุกข์แต่ก็จะเผื่อแผ่ความสุขกันนันการกระทำเช่นนั้นชื่อว่าไม่เป็นการรักตนและไม่เป็นการรักญาติพี่น้องที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะสร้างทุกข์แก่ตนสร้างความทุกข์แก่ญาติพี่น้อง การที่สามสุขภาพภลรยานางใหม่ของเราเองก็จะเสื่อมโทรมลงใยการสั้นเติมตัวเองเป็นการดับยีตนเองการกระ ท, ทําเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการรักตนไม่เป็นการถนองตนเพราะคนรักตนถนองตนจะต้องตั้งตนไว้ในทางที่เป็นประโยชน์ขึ้นคูณและอํานวยความสุขให้กันตัวการที่สี่คนที่เป็นศัตรู ไอ้ทราบข่าวความทุตข์ตร้อนซ้าซ้อนของเราในลักษณะนั้ น, น, นก็จะชื่นชมดีๆเพราะไม่ได้จินนไม่ให้กระทำแต่การที่จะไม่กระทำได้ก็ต้องผ่านปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบอินิพิจน า, าถามดูว่าจะทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทาไปแล้วได้ประโยชน์อย่ไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทา นี่คือเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติในภาพรวมๆของขันห้าซึ่งแต่ละอย่างเมื่อบุคคลได้คิดตามพิจารณาตามไปแล้วกระแสของปัญหาที่ท่วนทับใจหรือกระแสของกาโมปาทานที่ท่วนทับใจก็จะบรรเทาปบะบางลงไป เราตาวากิเลสเหล่านี้ยังมากอยู่ยังไม่บรรเทาลงไปเราคิดอย่างนั้นไม่ได้นึกอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเหล่านี้จึงต้องอาศัยการคิดบ่อยๆการนึกบ่อยๆแม้แต่เรื่องของความปฏิกรู่าเกลียดของร่างกายอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็พยายามดูบ่อยๆ แล้วก็จะเห็นความปฏิกูลเหล่านั้นชัดเจนอย่าน้อยก็ไม่เสียเวลาในการทุ่มเทเวลาของชีวิตไปเพื่อปมปือกายซึ่งจะต้องปวดหน้าและเป็นอย่างของโรคนี้มากจนเกินไปดังนั้นการเจ้าปัญญาพิจารณาขันทั้งห้าในแง่ของความเป็นจริงเรื่อไม่สวยงามก็คือไม่สวยงาม ด้อมจะช่วยผ่อนคลายความกับนัดความเพลิดเพลินในขันท้งห้าลงไปได้ตามสมควรต่อตปนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสมบสืบต่อไป